ส่วนข้อความแบบบรรยายภาวะนิพพานโดยตรงซึ่งมีอยู่ไม่กี่แห่งจะยกมาประกอบการพิจารณา <S <S เรื่องหนึ่งในนิพพานโสที่หนึ่งคุตการนิกายอุทานเรื่องมีว่าคราวหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมมีคถาเกี่ยวกับนิพพานแก่ปิกจุทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลายได้ตั้งใจฟังเป็นอย่างดีตอนหนึ่งพระองค์ได้ทรงเปล่งอุทานว่ามีอยู่นะภิกษุทั้งหลายอาญตนะที่ไม่มีปัทวีไม่มีอาโปไม่มีเตโชไม่มีวาโยไม่มีอากาสานัญจายตนะไม่มีวิญญาณจายตนะไม่มีอากิจนจายตนะไม่มีเนวสัญญาณาสัญญาญาตนะ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 ในนิพพานสูตรที่สองขุการนิกายอุทานทรงแสดงธรรมมีกถาเกี่ยวกับนิพพานแก่ภิกษุทั้งหลายเช่นเดียวกันและได้ทรงแปลงพระอุทานเป็นคาถาว่าธรรมดาว่าอนตัตตภาวะที่ไม่โน้มไปหาพบคือไม่มีตัณหาได้แก่นิพพานเป็นของเห็นได้ยากสัจจะไม่ใช่สิ่งที่เห็นได้ง่ายเลยชำแรกตัณหาได้แล้ว เมื่อรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งสัจจะย่อมไม่มีอะไรค้างใจเลยไม่มีอะไรที่จะติดใจกังวลอีกคราวหนึ่งในนิพพานสูตรที่สามขุตกนิกายอุทานทรงแสดงธรรมมีกถาแก่ภิกษุทั้งหลายเช่นเดียวกันและได้ทรงเปล่งพระอุทานว่ามีอยู่นะภิกษุทั้งหลายอาชาตะไม่เกิดอะภูตะไม่เป็น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 การรอดพ้นภาวะเกิดแล้วเป็นแล้วถูกสร้างถูกปรุงแต่งจึงปรากฏได้อีกคราวหนึ่งในนิพพานอสูตรที่สี่ขุตรกรนิกายอุทานทรงแสดงธรรมมีระถาเกี่ยวกับนิพพานแก่ภิกษุทั้งหลายเช่นเดียวกันและได้ทรงเป่งพระอุทานว่ายังอิงอยู่จึงมีการไหวไม่อิงแล้วก็ไม่มีการไหวเมื่อการไหวไม่มี